พูดทั้งเรื่องหลักธรรมแล้วธรรมเป็นของยังมาเทียนเรียบร้อยถ้าจะพูดทั้งเรื่องหลักธรรมก็ต้องพูดทั้งเรื่องคนคือรูปธรรมนามธรรมดังเคยอธิบายฟังมาแล้วถ้าจะพูดทั้งเรื่องการปฏิบัติก็ต้องพูดทั้งเรื่องตัวของเราพูดทั้งเรื่องของไม่ทำสาเร็จก็คือพูดพูดทั้งตัวของเราเทียบพอมาเปเรียบมันก็ บ, บ้านกเรเลือน พี่บาสําเร็ิเรียบร้อยแล้วก็ยังต้องปฏิบัติต้องบํารุงถนุถนอมต้องแต่งโน่นแต่งนี่ยงว่าของในโลกนี้ม่นมีสิ่งที่สําเร็จเรียบร้อยแต่คนเราโดยเฉพาะกายกับใจซึ่งเป็นของบุญกรรมตกแต่งมาให้นี่ยจะต้องประปรุงกันเยอะยังมากมายถ้าหากว่าเป็นของเรียบร้อยแล้วก็หมดเรื่องเงินฝ่ ไม่ต้องแต่งอันนี้แต่งยังต้องแต่งกันอยู่เพื่อแต่งอะไรแต่งให้มันดีขึ้นสิ่งที่เราเห็นว่าไม่ดีเช่นตัวของเรานี่แหละสิ่งใดที่เห็นว่ามันไม่ดีมันไม่งามเรายังก็แต่งสิ่งนั้นเช่นหน้าเช่นตาเช่นผมเช่นเผาละไรต่างๆตามทนตทวงเหล่าน่าตาผมเผาที่เราแต่งตัวนี้ อาบน้ำชำระกายล่างหนาล่างตาแต่งฝันล้วนแล้วเจ้ของต้องแต่งเพราะของเหล่านี้เป็นของไม่ดีคือมันไม่ถูกใจเรานั่นเองเราง้ก็แตง่งให้มันดีขึ้นมายังเรียกว่าของนี้มาถึนเรียบร้อยังมาถึนดีคนเราเกิดขึ้นมาท่านสมุติให้ชื่อหลายอย่างที่เรียกว่ามนุษย์คือคนเรามนุษย โสคือคนธรรมดาสามัญที่มีสินมีคือมีความรู้สึกนึกคิดแต่หากแล้วยังมีความรู้จกกักกตัญญูกตเวธีรู้จักสามัคคีเห็นอกเห็นใจเห็นกนารเมตตามนุษย์ต้องเป็นอย่างนี้จึงที่เรียกว่ามนุษย์สมบูรณ์ถ้ามนุษย์โหดเหี้ยมมนุษย์ดุร้ายเขาเรียกมนุษย์หยาดมนุษย์ไมนมีสินมีธรรม ลารักชอบกงขโมยคนอื่นเรียกมนุษย์เปรตมนุษย์ที่มีศีลธรรมคือมีความละอายบาปมีความละอายความชั่วครัวตั ว, วผิดสิ่งที่ตนทาไม่ดีไม่งามเห็นโทษอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียวกว่ามนุษย์เทวดาธรรมของเทวดามีอยู่สองประการ คือความละอายบาปกับกลัวบาปนี้ท่านว่าเทวธรรมคนเราถ้าหากก็มีธรรมของเทวดามาัศยวไม่ในตัวของเราตัวของเราก็เป็นเทวดาถ้าคนเราเอาธรรมของประดิมัศยวไม่ก็เป็นมนุษย์เต็ตาถ้าคนเราเอาธรรมของสติรัชานมา ส่วมวันมันก็เป็นสติระชาติมนุษย์สติระชานโน่ถ้าคนเรารู้จักฉลาดเฉียบแหลมรู้จักสิ่งที่ผิดที่ถูกที่ ด, ทดีที่ชั่วเลือกเล่นแล้ได้สิ่งที่ดีมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่นตนแองคนอื่นเรียกว่ามนุษย์สับดิโต้มนุษย์มีหลายชั้นเห็นนั้นคนเราอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันเสร็จเรียบร้อยมาแล้วถึงอัตภาพชีวิตร่างอัตภาพตนตัวมีสมบูรณ์ อวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนแล้วก็ยังว่าถุเรียบเรียบร้อยยังไม่สมบูรณ์และมาเคยพูดทั้งเรื่องมนุษย์คนเราพูดกันให้เข้าใจกันง่ายวิธีเขาเฉิเขาสร้างพระพระสร้างด้วยอิดย้ด้วยหินก็ตามเถะดโดยทองเหลืองทองแดงโลหะอะไรก็ตามเมื่อสร้างแล้วเขาจำเป็นจะต้องมีการฉลองโบราณนั่นถือว่า ถ้าไม่ฉลองแลว้วไหวไม่ได้บุญอันนี้เป็นธรรมกาหนทดทํามเนียมประเพณีถือมาแต่โบ ร, ราลเท่านั้นท่านเดมีการฉลองกันอันนี้พ่อมาเปียกให้ฟังให้ใเฉยหรอคนแล้วเกิดเราเป็นคนยังเป็นหุ่นอยู่คือยังไม่ทันได้ฉลองคือยังไม่ทันเรียบร้อยนั่นเองมองดูตัวของเราก็แล้วกันตรงไหนบางที่ยังขาดตกบกพ่องถ้าหายังขาดตกบกพ่องยัง ไม่สมบูรณ์ก็อย่ายังฉลองไม่ได้ก็ยังไม่เป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกับคนเราที่จะสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นขัข้นเหมือนกับต้นไม้ที่อยู่ในป่าไม้สัรพัฒน์ที่อยู่ในป่าท่านผู้ฉลาดเขาสามารถจะเลือกต้นไม้ที่มีแกนและมีคุณภาพไปคอนมาซะก่อนแล้วก็มาเข้าลงเรื่อยทาเป็น ไม่สําเร็จรูปมาด้วยเป็นแผ่นกระดานให้เป็นอะไรก็ตามถึงต่อจากนั้นมาเขาจะต้องมาใช้ใช้กบปรับปรุงให้เป็นบ้านเป็นเรือนโดยทัพสสัราระโต๊ะกับอีกอย่างต๊นเนี่ยเขาจะใช้ามาขัดให้มันสะอาดให้มันเรียบร้อยโดยกระดาษทรายกระดิบไม่ไรก็ตามแล้วก็มาลงแช่แลกกินใช้ได้ละทัน แนวของธรเมเนตรไปพักหนึงกันคนเราถ้าหากรู้สึกตัวว่าเราเป็นคนมีคุณธรรมอะไรบ้างอยู่ในตัวของเราดังแกธิบายมาหรือไม่มีความเมตตาปานีมีความสามัคคีรู้จักบุญคุณขอ้อนี้มีคุณอุปการะอันนี้เรียกว่าเราไปเลือกต้นไม้มาจากป่าได้เอาละไม้ต้นนี้แหละเป็นไม้ของมีคุณภาพ สามารถจะทำท่าประสงค์ใดมั่นคงเท้าวอนดีทีเดียวมีขั้นแรกเนี่ยเลือกต้นไม้คือ ต, ตัวของเราเรารู้จักตัวของเราว่าเราเป็นคนมีคุณธรรมในปัจจุ บ, บันครอบไหมครอบมนุษยธรรมไหมเ <liter atures> มื่อเราครอบมนุษยธรรมแล้วค่ะนี้เราจะต้องรู้จักดัดแปลงแก้ไขสิ่งใดซึ่งควรจะ ให้เป็นอะไรต่อไปกายของเราวาจาของเราใจของเรากายไม่ใช่มีไว้สำหรับประหัสประหารข้าฟันขึ้นกันเลยกั น, กนใช่ให้ถูกแท้ที่จริงกายมีไว้สำหรับประกอบอาชีพเพื่อความเป็นอยู่เป็นพื้นฐานเบื้องต้น ถ้าหากเรารู้จักว่ากายนี้เป็นของมีประโยชน์คุณค่าอย่างนั้นแล้วประกอบอาชีพในสมาอิชีพให้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนและคนอื่นไม่ใช่มีไว้สําหรับประหัดปองหารไม่ใช่ไว้ทําลายซึ่งกันและกันวาจาของเรามีไว้สําหรับพูดให้รู้ภาษาซึ่งกันและกันไม่ใช่มีไว้หลอกลวงไม่ไว้โกหกเสียดสีหรือ ก็ะทา ก, ก, กับแทกแบบดันพืชกันในกัดวาจารของเราไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีไว้อย่างนั้นมีไว้สําหรับใช้ธรรมดาแบบนี้นั่นใจของเราก็มีไว้สําหรับนึกคิดในสิ่งที่ควรทำไม่ควรสิ่งใดควรที่จะคิดนึกในสิ่งที่ดีที่ชอบที่ประกอบ ด, ด้วยประโยชน์เหตุผลนี่ทำให้ขาดธรรมดาของเรา เรามาจัดกายวาจาของเราใจของเราให้เป็นชิ้นเป็นส่วนออกมาเหมือนกันกับเราเอาไม้เข้าไปลงเลือ่อยเลื่อยออกมาเป็นไม้สเส้นเลือกเป็นกระ ด, ดานไื่จะเป็นไม้ว่องยาวเท่หนะว่องเท่าไหร่เป็นสัดเป็นส่วนแล้วจะไปทําอะไรตอะไรให้ได้สัดให้ได้ส่วนที่เราต้องการหรือเปล่าทำไมมีถ้าห่างเราใช้ไม่เป็นก็เหมือนกับว่าเอาไม้ได้มาแล้วนะ่ย เอามาฟักหรือเอามาสับมาฟันนะมาสับจะให้แหลกแล้วมดเลยใช้ประโยชน์ไม่ได้หม้ล้วนันไม้ต้นนั้นนี่เมื่อเราจะสร้างครัวสร้างมนุษย์ของเราให้สาเร็จรูปต้องสร้างวันนี้ขั้นนี้ใชก่อนเมื่อเรารู้จักคุณค่าของคนเราคือต้นไม้ที่มีค่ า, าที่ป่าไอโฟมาเปียบเราต้องสร้างอย่างนี้จึงจะเป็นของดีมีค่า เมื่อสําเร็จรูปเช่นนั้นแล้วฐานี้เราจะมาเข้าจะมาทําให้เข้าระเบียบแบบแผนเช่นทําโต๊ะอันนี้นจะไปทําเป็นขาอันใดจะทําเป็นพื้นเป็นไหนขอบเป็นอะไรต่างๆแล้วแต่ช่างเขาจะประดิษฐ์คิดไปโดยประการต่้งๆเราทำให้เข้ารูปเข้าแบบเประกอบสัดส่วน คนเราถ้าประกอบกายวาจาใจใช่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าก็เป็นของใช้ได้ดีคนเรามีค่าขึ้นมาอันนี้ว่าถึงเรื่องของภายนอกคือรูปร่างอัตภาพตนตัวคือกายวาจาใจถ้าจะพูดถึงเรื่องภายในคือว่าพูดถึงเรื่องจิตใจของคนเราถ้าหากเรารู้จักว่าใจเป็นของมีประโยชน์ ใช้ไว้ตันัแคิดนึกพิจารณาเหตุผลจริงที่ควรหรืไม่ควรเอาไว่ใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเอคนอื่นแล้วสิ่งใดใจที่คิดนึกไปคิดคิดิฉาริชายาเกียดโกรธให้โทษแก่คนอื่นทำให้คนอื่นเดือดรนะ้อนในทั้งตนเองก็ไม่พอใจในสิ่งนั้นอันนั้นเรากล้าจัดมาเสียเรามา สร้างใจของเราให้มันของดีสร้างใจที่จะให้มันดีขึ้นนี่นอกจากรักธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้วไม่มีสร้างท่าอื่นนะพอสั้งได้วิชาหรือหลักควมรู้หรือวิชาต่างๆที่เราเรียนเน่ยเขสร้างได้สรางกายสร้างวาจานวแต่งได้เวลากระดูเขาจะประกวดนางงามเนี่ยเขาแต่งเนื้อแต่งกายแต่งวาจาคําพูดทุกสิ่งแต่งได้แต่เวลาประกวดมัแล้วเท้าเก่าเน่ะท้องเก่าเน่ะแต่งต้นแต่งตัวแต่งได้หมด แต่เวล า, าออกนะว่าแดงมันเท่าเก่าเหมือนของเก่าอันนั้นเป็นเรื่องหลอกไม่ใช่ของจริงไม่ใช่สัจธรรมท่านสาวพระเจสอนถึงสัจธรรมให้จะหลอกลวงคนนั้นคนนี้ทั้งตนและคนอื่นทำไมเดีหลอกลวงเพื่อเห็นความทั่วเดี๋ตนเองปรับปรุงตนเองแก้ไขตนเองเห็นว่าตนยังเป็นดุนอยู่เพื่ อ, อยังเป็นไม้อยู่ ใจยังเป็นใจธรรมดาธรรมดายังไม่ดียังไม่แปลกต่างจากสมเดิมเราจะต้องแก้ไขหัดใจของเราให้ดีขึ้นโดยการมายึดเอาความดีเป็นเคร่องอยู่อย่างเราไม่เคยเลยที่จะนึกคิดถึงเรื่องตอนเรื่องตัวเรื่องเรื่องทั้งฐานร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังนาตานั่นเรียกว่ายังเป็นรุ่นอยู่ พอได้เห็นว่ามรเป็นใจมีใจคนเรามีใจเฉยๆถ้ามามองดูว่าใจของเราอันใดไม่ดีแล้วพยายามปรับปรุงด้วยการยึดความดีมีสินรมข้อใดข้อหนึ่งอยู่เชิงอยู่อย่างสิ่งใดยังไม่ทันบีเราเป็นคนที่โกรธแก้ไขความโกรธดูความเห็นโทษในการที่โกรธ ฤทธิออชา้าฤทธิยะตาลอนอยู่ประการใดๆเรามาคิดอทธิชา้าฤิยะตาลอดนะให้บรรดาพิจารณามันห น, นีไปด้วยเห็นโทษ น, นั่นเลยนะอย่าให้มีอยู่ในใจถ้ามันยังจะไม่ให้มีให้เห็นโทษซะก่อนถ้าอย่าง้คุณยังละไม่ได้ต้องเห็นโทษคือเห็นโทษตนเองอย่าไปเห็นโทษคนอื่นเองคนอื่นไม่ดีหรือประโยชคนอื่นนั้นไม่ถูก การโกรธคนอื่นคือเรานั่นเองเป็นคนไม่ดียังไม่โกดรดเขาไม่ได้จะอสอนให้เราแค่นตนเองสุดที่ชุดที่ไปะจะต่างอันโยนอย่างวิโสเถรีความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เฉพาะตนเองคนอื่นจะทําให้บริสุทธิ์ไม่ไนดะ้สมัยนี้ทำยังไงหละะังพันเขาไม่ยอมบริสุทธิ์กับเราเราเป็นคนบริสุทธิ์คนเดียวเขาไม่บริสุทธิ์จะทำยังไง เพราะเหตุนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงมาเทศโลกอันนี้เพราะโลกมเป็นอย่างนี้แหละทำทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกอันนี้แหละป่ามันรบเขายังค่อยทํำมีดทาผ้าทําขวนไว้สําหรับปราปป่ายอดเสียมทว่เขาไว้ําหรับขุดหัวไม้หัวต่อพ่อมีหัวไม้หัวต่อแต่คนเราไม่ยอมเอามาใช้ทุกคนไม่ยอมเอาไปใช้ ตนเองไม่ยอมใช้สักคนเดียวมิตรใจก็เดือดใช้ทายเดียวทุกคนก็ไม่ยอมใช้สักคนเดียวมันก็หมดท่ามันก็โรคอยู่ตลอดกาลีวล่ะเพราะฉะนั้นธรรม น, นั่นแหละที่จะมาปราบข่มชั่วในงานเหล่านี้เมื่อเราเห็นข่มชั่วมีในตัวของตนแล้วพยายามละข่มชั่วนนั้ด้วยตนเองเห็นโทษด้วยตนเองทุกๆคนในหมู่คนตั้งแต่สองคนในครอบครัวของเรา ค็พัน ญ, ญาตั้งต่างคนต่างก็ปราบคนช่วต้นมั่กสบายเรียบร้อยในครอบครัวหรือปราบได้แค่คนหนึ่งพันญญาสามีกู่นะ่ะคนหนึ่งไม่ปราบก็เรียกว่าได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีขึ้นนี่ธรรมะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยทำไโดยา่าอยาให้คนอื่นปราบเสียก่อนตอนเองไม่ทราบจะ เมื่อเขาปราบได้ไม่ได้แล้วจะปราบได้แล้วไม่ได้ก็ไม่ปราบเหตุนั้นโลกมันจะงยุ่งคนนั้นพูดกันนักหนาพูดทั้งเรื่องเหล่านี้แล้วทำคนเดียวไม่ได้อยู่ในสังคมก็คนหมว่มากเขาเลวทั้งหมดแล้วจะเลวคนเราจะเป็นคนดีก็อยู่กับเขาไม่ได้ด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนห้เลาคนเดียว คือสอนสังคมทุกๆคนนั่นเองหากว่าเขาไม่ทําเราทำได้ก่อนแล้วก็จะได้ดีขึ้นมาคนหนึ่งยังเรียกว่าสุทธิสุธิอรสุธิไปจะต่างคขาไม่สุดเฉพาะที่ตนของตนอโย น, นยันยางวิสเทเยคนอื่นชำระให้ไม่ได้นี่ต้องกราบอย่างนี้ชำระใจของตอนอย่างนี้ปรับปรุงใจของตอนให้เป็นคนดีขึ้นด้วยอย่างนี้ เมื่อเราทำได้มั่นใจของตนแล้วเรียกว่าเรารู้จักชิ้นส่วนจิตของเราที่เราจะต้องปร ะ, ประกอบให้เป็นทัพสสรพละขึ้น <c oughs> เมื่อเราเข้าใจชิ้นส่วนขึ้น ใ, นใจของเราดีแล้วไม่ดีแล้วคะนี่เราจะไปใช้การงานใดๆในสังคมใดๆเราจะต้องเลือกคือต้องมีอุบายแง่ขาดคือต้องฉลาดเฉียบแีลม ในการที่จะใช้ให้มันได้ให้นพอดีพอเหมาะควรแกกาและเทสะหรือแก่ฐานะชั้นกลุ่มต้นนั้นไม่ใช่เราเกลียดเขาทั้งหมดเราไม่พอใจทั้งหมดเราจะไปโทษเขาว่าไม่ดีไม่ได้หรือเราเห็นว่าอะไรไม่ดีแล้วจะบอกเข า, าไม่ดีทั้งหมดมันก็ไม่ได้อย่างเราตัวของเราถ้าหากก็เราไม่ถือโทษด้วตนเองไป ก, รรกูดนคนอื่นตามการยากที่เขาจะ คนอื่นพูดอะไรฟังก็ยากที่จะเข้าใจเห็นั้นจึงเป็นยงงามที่สุดเราไม่ต้องแก้ตรงนั้นไปแก้แห่งอื่นแห่งที่อื่นให้ก่อนคือทํากองเข้าใจก็อนที่จะพูดกับใครคนี้คนใดึ่งจะพูดกลบกงเลยก็ไม่ได้นี่เรียกว่าเรารู้จักใช้รู้จักประกอบให้เข้ากับทับปสัมภาระจึงจะสร้างฐานะคือตัวของเราได้คือทําให้สาเร็จลูกขึ้นมา เป็นถ้าประสรบารณ์ใช่การได้เมื่อเราใช้ได้แล้วคราวนี้เราอยู่เย็นเป็นสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าแะไม่มีการเดือดร้อนเป็นทุกข์นี่เรียกว่าสร้างฐานะด้านจิตใจให้บรรลุสเร็จถ้าหากว่าเรายังสร้างหมวอนี้ยังไม่ทําสำเร็จใจของเราเป็นยังไม่ทันเรียบเรายังไม่ทันสำเร็จ จะต้องยุ่งอยู่ตลอดกาลเวลาชาตินี้ก็ยุ่งชาติไหนๆก็ยุ่งวุ่นวายตลอดกาลเวลาหาความสุขสงบไม่ได้เมื่อมันไม่มีความสมุขสงบเช่นนั้นเจะเกิดที่ร้อยชาติทัทนชาติมันก็ทุกข์ก็เดือดร้อยู่เท่ากันในขณะที่เราเกิดขึ้นมาประสบพบ พุทธศาสนาคือคำสอนของพระธรรมจักรที่เรียกว่าศาสนาที่สอนให้คนฉลาดให้เข้าใจแนวดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามธํานองกองธรรมให้พากันสนใจและศึกษาให้เข้าถึงหลักพุทธศาสนาแล้จึิงๆดำเนินถูกต้อง พุทธาพยายามถึงจะยากน้ำบาดาลือประกนในในในญญารใดๆต่อพยายามดีกว่าเท่าที่จะทอดทิ้งดวงเราให้ตกข้างอยู่ในภาวะเช่นนี้ตลอดกาลเวลาไม่แน่นอนนะคนเราตายแล้วไม่ใช่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ตลอดเวลาหรือไม่ได้แช่ไหมจะมาเกิดในประเทศไทยอย่างเดียวตลอดเวลาหรือเกิดในปฏิรูปประเทศคือประเทศที่มี ความเจริได้วยสินธรรมอย่างเดียวมันอาจจะไปเกิดในที่ต่างๆในภวมต่างๆหรืออาจจะไปเกิดในสัตว์เลี้ยงาเกิดหมดโอกาสอยู่วลาเวลานี้ยังมีโอกาสเวลาที่จะพาการปรับปรุงกายใจร่งตนให้เข้าถึงสภาวะที่จะใช้การงานนั้นได้คือปรับปรุงให้เป็นเครื่องใช้เครื่องสอนให้มันได้สําเร็จรูปขึ้นมาได้มีพูดถึงเรื่องของ ไม่สําเร็จจะสําเร็จได้ด้วยการเห็นโทดกายบายใจใจของตนอันกายเนี่ยช่างเหมือนเถอะย่างง่ายงก็ไม่สาเร็จสักทีหรอกจะเกิดเ้าแล้วก็ไม่สําเร็จดังอธิบายในบืงตน้นใจนี้ต้องหากว่าเราปรับปรุงตัวของเราให้เข้าถึงความจริงอย่างที่ว่านี้แล้วจะหมดเรื่องหมดราวอยู่เย็นเป็นสุข นั่นเรียกว่าสําเร็จสำเร็จแล้วไม่ต้องเพว่าโคเกี่ยวข้องถึงเรื่องความชาระอีกต่อไปคือไม่ต้องชําระความชั่วชั่วหมดไปแล้วดีอยู่ตลอดกาลเวลาเรียกว่าของเที่ยงคือธรรมะที่เป็นของจริงของเที่ยงมันฐาวรหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าเป็นสาระที่พึ่งของตนสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ ด้วยการอย่างนี้ธรรมะคือของเป็นจริงธรรมะคือสภาวะตามเป็นของเดิมทีเ่เรียกว่าธรรมะอธิบายนี่ก็เรื่องอธิบายเรื่องธรรมะกายวาจัใจไม่ใช่เกิดขึ้นมาเลยแต่งต้งแต่งมาให้ประกอบกันชั่วการประกอบไม่ประกอบตามกิเลสมันเป็นเหตุให้เด่นทนทุกข์ทรามานและทําคมชั่วเพราะกิเลสบังคับ ไม่เป็นธรรมก็เป็นธรรมเหมือนกันแต่ทรรมเลวแล้วไม่ต้องการเรียกว่าอากุศุนธรรมของเลวแล้วไม่ต้องการธรรมที่เราต้องการของดีธรรมที่ดียเกี่ยกวกับธรรมหนาจึงพาให้กายวา จ, จัแจงเราทำชั่วเรียกว่าอากุศุธรรมนี่อะที่ว่ามันไม่สำเร็จนะเราจะต้องมาแก้ไขให้ใหมันกลับมาเป็นกุศุนธรรม จึงจะเรียบร้อยกายเราจะแจ้งเราจรึงจะสำเร็จยังไม่เป็ี่ยนมนุษย์ดังอธิบายมให้ฟังแล้วเป็นมนุษย์แล้วมันยังมีสิ่งแทรกซึอมอยู่เป็นมนุษย์ดิและฉานเป็นมนุษย์เปรตอสุรกายมันมีหลายอย่างมันแทรกอยู่ในตัวงเราเราดูๆก็รู้หรอกในตัวเรามีมีทุกคนนะม่มากก็หน่อย ใจในที่เหี้ยมโหดสามานยคอยไปทุศลายทำลายคนอื่นคิดมุ่งล้ายทำลายคนอื่นแม่คนอื่นเดือดร้อนจละชีบหายนั่นแหละอันนั้นมนุษย์ทุศลายเมื่อกับพวกพูดผีเมื่อกับพวกสัตว์พวกเสือเสือนั้นต่มุ่งแต่จะกินสัตว์เป็นไม่มุ่งแต่กินเนื้อคนอื่นไม่ได้มีเมตตาปราณีใครเลย มนุษย์คนเราถ้าหากเป็นเช่นนั่นกับมนุษย์สัตว์เสือมนุษย์เสือเทากันแล้วกันให้เห็นมนุษย์ตัวของเราที่เป็นมนุษย์นเป็นแต่รูปร่างแต่จิตใจยังมาทำเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี่ยที่ยังมาทำสาเร็จที่อย่างมา ท, ำำ เ, ร ท, ามาทเรียบร้อยเป็นมนุษย์สมบูรณ์ตรงนี้หาหลอกรวงคนนอนคนนี้ชอบโกงหลอกลวงให้เขาเสียสูญสิ่งที่เขามีอยู่ให้เขาเสียอกเสียใจเดือดร้อนรุ่นวัย อันนั้นเรียกเปตเปรตนะคือเขาถือกันว่าหลอกลวงให้คนกลัวให้คนหลงเชื่อทั้งๆที่มันมีตั ว, แ, วแต่ทำให้คนรู้จักว่าเป็นของมีตัวหลอกลวงคนอัน น, นี้หลอกลวงแล้วก็หายไปโกหกมายาสาไถ่ราชการต่างๆอันนั้นพวกเปรตพวกเปรตพวกอรการญากร ถ้าหากว่าเรามีความเมตตาปานิเกิดสงสารเอ็นดูมีหิริคือความละอายบาปความชั่วหวยปากกลัวความไม่ดีไม่งามระมัดระวังสังวอตนอยู่ตลอดเวลาท่านเรียกว่ามนุษย์เทวดาถ้าหากมีความฉลาดแหลมลึกพิจารณาเหตุผลเห็นสิ่งที่ควรและไม่ควร อะไรเป็นตน้นอะไรเป็นตัวอะไรไม่ใช่ตน้นไม่ใช่ตัวเสียงเดกควรที่สิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระมุจจักจับเ่าสิ่งที่เป็นสาระไม่เป็นสาระทอดทิ้งอันนี้เรียกว่าบัณฑิตมนุษยบัณฑิตท่านเรียกว่าโยอัตโธสัมปรายิกุอัทไทพิสมะยาพิโรบัณฑิตโตจิปวัตติ คิดเทถเมจะโยอัตโหโยจัตโธสัมปรายกูอัถาพิสมายาพิโรปันดิโตขีปวิจติคิดเทถเมจะโยอัตโหรคือเห็นประโยชน์ในโชโลกนี้และโลกหนาเห็นประโยชน์ในปัจจุบันเห็นโทษในเลสประโยชน์ในปัจจุบันโลกนี้และโลกหนาคิดเทถเมจะโยจัตโธโยอัตโธสัมปรายกูอัถาพิสมายาพิโรผู้ที่ถือประโยชน์อันนี้ได้ละ บัญดตโตที่ปวงจิตทั้งกล่าวว่าเป็นมนุษย์บัณฑิตทันงหลายน้นเรายังพอพยายามทั้งเรื่องทั้งหลายแบบนี้ยังเยอะอคนเราเกิดขึ้นมายยังไม่คิดถึงเรื่องวันนี้ได้เป็นคนแล้วก็ชอบใจแล้วว่าคนมันเป็นมนุษย์แล้วก็ชอบใจ ว, ว่าไม่ทราบว่ามนุษย์อะไรต่ออะไรโดยไม่มีคนณทางที่จะปวดเพื่องและแก้ไขในสิ่งที่เลวไหลเลอะเทอะ สิ่งที่เล้วไหลเลื่เทอกทั้งหลายนะ่ะเข้าใจเป็นของดีไปเสียสท่ามีมดฐานเลยไม่มีของทานแจกให้คนเราให้ปฏิบัติที่ตัวของเราศาสนาอยู่ที่ตัวของเราตำรับตานาที่ท่านจะลึกเขียนเป็นตัวอักษรไว้ในตารับตารานในสมุดหนังสือต่า ง, งไม่ใช่ศาสนาสตรศาสนาแทรกที่ตัวของเราผู้ใ ด, ดมาเรียน เรื่องตัวของเราแล้ยนั่นแหละไ ด, ได้ได้ชีววิทเรียนศาสนาศึกษาศ า, าสนาโดยแท้ผู้ใดว่าเห็นเรื่องยี่เลยทั้งหลายเกิดจากใจความชั่วและความดีเกิดขึ้นจากใจเรียกว่าถึงจุดต้นต่อของพุทธศาสนาจึงว่าเรียนศาสนาสําเร็จตรงคนสำเร็จตรงนี้ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ที่อื่นแต่เรายังปฏิบัติยังไปถึงเร็จเราจึงเพยายาม่เข้าถึง จุดสําคัญคือจุดต้นต่อของพุทธศาสตร์นาในใจหรืคิดขึ้นมาใน ใ, นใจมันคิดตรงไหนมันนึกตรงไหนก็ตรงนั้นแหละคือใจแต่ว่ายากที่เราจะจับใจได้ถ้าจำไม่ได้มันก็ไม่ทราบไปอยู่ได้ยังไงไม่เห็นใจก็ไม่ทราบอยู่รักษาใจได้ยังไงนึกจำเป็นที่จะต้องให้รู้จักใจใช่ก่อนคือผููนึกขึ้นมาทีแรกคิดมาทีแรก อันนี้เป็นอาการของใจพูดลึกเข้าไปอีกใจแท้คือผู้ชิยเฉยไม่คิดนึกตรงหน้าตรงหลังใจเป็นของว่างๆอยู่คนเดียวมีความรู้สึกเฉพาะตัวของมันเนี่ยมัจนจดอาการที่คิดส่งไปมานั่นส่งโน้นถึงนี้แล้วส่งโน้นตรงนีนงนนะ้เรียกอาการของใจอันนี้เราจะต้องอบรมใจให้เข้าถึงความสงบซึ่งจะเรียกออกภาว น, นา เราต้องการรักษาไอ้อบรมใจให้สงบเพราะใจนั่นน่ะพาให้เดือดร้อนวุ่นวายเพาเหตุที่มันไม่สงบจึงต้องมาหัดอบรมให้มันสงบพอสงบแล้วก็ได้รับกรงสบายเดี๋ยวนี้อะารมันเคยอบรมแล้วมันเคยฝึกหัดจะไดยุ่งวุ่นวายตลอดการเวลาก็เป็นการยากขึ้นหน่อยที่จะให้เขาถึงความสงบได้ แต่เทไงก็หมายอนดีใสคนเราถ้าตั้งใจอบรมปุกบผลให้เราให้เข้าได้ความสงบมีวันหนึ่งซึ่งจะต้องต้องสงบได้เมื่อสงบเราจะเห็นคุณค่าของความสงบนี่โอ้โหมหาสาลความสุขสบายแสนที่จะสบายใจตรงนั้นแหละที่มันคือว่าความเฉยนั่นแหละออกจากความเฉยนัไปคิดนึกตรงนั้นตรงนี้เมื่อไม่ จับตัวที่เฉื่ไม่ได้ก่อนจับตัวอาการของใจไว้ก่อนคือมันส่งมันคิดนึกตรงนั้นตรงนี้แล้วจะเอานั่นแหละตัวคิดนึกตรงนั้นตรงนี้ไปนั่นแ่ะเอาตรงนั้นไปไว้ในจุดเดียวอย่างเป็นนึกเอาพุโทโธไม่ต้องออกปากพุโทโธพุโทโธอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นแ่ะหรือัะไม่เอาไม่จะนั่นกะ ให้ไปอยู่ที่ปลายจมูกลงหายใจเข้าออกที่ลมหายใจผ่านไปความอาฝ่ากดเย็นเฉยเฉยอยตรงนั้นให้ไปรู้สือก็ตรงเดียวน่ะเอาสติคือผู้ระลึกได้แล้วเรียกว่าสติระลึกได้อยู่เสมอว่าใจอยู่ตรงไหนเวลานี้มันอยู่กับอะไรให้ระลึกได้อยู่ตลอดเวลาแต่วัดเหลอจะหายวัดไปไหนก็ไม่ทราบดึงกึ้นมาไเอาไว้อยู่ตรงนั้นแ่ะ ทำอย่างนี้เรียกว่าภาวนากรรมฐานยากนักอย่างหนานะที่จะได้หัดภานากรรมฐานบางคนเกิดขึ้นมาจนตายก็ไม่เคยภาวนาสักทีก็มกรรมฐานแบบนี้และอาจจะไม่มีคนสอนอด้วยก็ได้คนเราถือพุทธศาสนานะในเมืองไทยแทบจะ เรียกว่าเก้าสิบอร์เซ็นคนที่ถือศาสนาแล้วจะได้มาหัดข้อนาเชนเน่นนี้นะอาจจะไม่ถึงยี่สิบ้าเอร์เซ็นก็ได้จงมาเป็นของหน้าหัดหน้าอบรมเมื่อถึงการโอกาสเวลาที่นนี้ควรที่จะตั้งใจอบรมโดยในที่อธิบายมาให้ฟังนี้จะ ได้รับความสงบหรือไม่ได้รับความสงบก็ไม่ควรที่จะท้อถอดเพราะสิ่งนี้เป็นของหาได้ยากไละยากที่จะได้กระทาและเป็นของมีคุณค่ามหาศาลทางที่จะพ้นจากทุกมีทางเดียวเทน่นี้หาเงินได้เป็นเนยอยล้านไม่มีความสงบมหาควาสุขไม่ได้ จะทุกหาเช้ากินข้าห่างมีความสงบก็จะมีคุณค่าของชีวิตนั้นมากกว่าเงินมีมเงินตั้งหลายล้านมีเงินหลายล้านไปทาไมมันเดือดร้อนน่นก็ทุกเท่าเกันไม่มีประโยชน์ทอะไรหาเช้ากินข้ามจิตสงบในี้เรืองความสุมันก็ดีม่ค่าสิเดียนะของนที่เราได้รับความสุขสงบนี่เป็นของจิตตามตัวของเราไปด้วยถึงเราจะตายก็เกิดชาติไหนชาติไหนเป็นของเรา สมบัตทั้งหลายที่เราหามาได้ไในใจของเราของสําหรับอยู่ในโลกแล้วตายแล้วก็เป็นของคนอื่นต่อไปไม่ใช่เอาไปด้วยใครจะเอาเงินทองเราน่าเป็นค่าขายในโลกอื่นได้ไม่มีหรอกเห็นไม่อยู่ทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองจะไปใช้ใจ่ายค่าขายอะไรนั่นที่เราไปได้คือความสงบที่เราอุทุมนี้แหลเมื่อเราพิจารณาเห็นเท่านี้ก็ จะพอเข้าใจคุณคางความสงบมีประโยชน์ขนาดไหนแล้วแค่นั้นยังควรตั้งใจอบลมโดยไหนที่ว่ามานันนี้คือให้มาอยู่ในจุดเดียวจะต้องพยายามทำการทำ ไ, ไม่ใช่ทำแต่เวลานี่นอกจากนี้จะไปอยู่ไหนก็ทำได้เถอะยืนเดินนัง่งนอนทำอะไรทั้งนั้นของนี้เป็นของทำง่ายโดยที่ไม่ได้บอกใคร แล้วนอนอยู่กับบ้านกับร้างอยู่กับลูกกับล้านใครจะอยู่กี่คนอยู่ก็กตามเถอะเราทำคนเดียวส ง, งบได้ไม่มีใครรู้เรื่องของเราแล้วพอกอาบพายแล้วกีตั้งกลางอย่าเงี้ยเราทําไปเถอะเพื่ออไรมีม่หมายภากันพอใจยินดีในการที่เราจะทำส่งต่อเมื่อได้มากและน้อยแค่ไหน หรือหากไม่ได้ก็ให้รู้ว่าใจสงบหรือไม่สงบก็ยังนว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกว่าที่เราไมา่เคยเห็นเลยเอาหากันทําไ ด, หดา้หัดตายมานันหัดตายมันจะมีชํานาญอย่างที่อธิบายมาแล้วหัดตายคือความสละปล่อยวางจนไม่มีอะไรเหลื อ, อยังเหลือแต่จิต ร่างกายเนะี่ยไม่ใช่ของเรายังเหลือแต่จิตจิตก็ไม่ใช่ของเราคิตก็เป็นขอ ง, ของกรับกรอบวันไหวไปมาได้สกสระมดสุละหมดแล้วยังเหลืออะไรอันผู้เหลือผู้ที่ยวสระเที่ยวมันหมดนั่นน่ะมันยังมีอยู่อันผู้นะั้นมันยังมีอยู่ มันยังแม่ท่านหมด น, นคําว่าหมดว่าหมดในทีน่นี้คำว่าตายในทีน่นี้ตายไปหมดทุกสิ่งทุกส่วนที่ของผานนอกหวันไหวไปไม้นี่เรี่ยกว่าตายแล้วอันที่ของภายในคือจิตใจที่วนบุน่นบี่วนวายเดือดร้อนกรนะซักกระซายนั้นอันนั้นก็หมดเหมือนกันคุณนั้นเนี่ยมันยังเหลือมันยัง่งถ้าค่เกิดอีก ผู้ น, นั้นหมดไ้ก็ไม่เกิด อ, อีกผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของมนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสูญเปล่าหมดหายหมดเมื่อของอันนี้เป็นหมดแล้วไม่มีเครื่องยึดไม่มีเครื่องถือผู้นั้นก็ไม่ปรากฏด้วยกันนั่นผู้ไปรู้ไปเห็นก็ไม่ปรากฏเหมน ที่เละดับหมดทุกสิ่งทุกอย่างยังเหลือแต่ผูดดผ้รู้ผู้รู้นั่นก่นเมื่อมีภาษาสัมผัสทั้งแตอมีอายตนาภาษาอยู่ก็จําจปีจะต้องยังเหลืออยู่ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้แล้วท่านไม่ ย, ยึดถือต่อเมื่อมีสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอายตนาภาษาหมดเรื่อง เมื่อหมดแล้วคนนั้นก็ไม่ปรากฏมันจะเอาอะไรมาใช้ไม่มีเครื่องใช้ก็มหมดเรื่อง ท, งทันทีนัินคอใหญ่บใจกวมในการ ท, ทําำ功德ภาวนาเพื่อละเพื่อทิ้งเพื่อทอน <c oughs> เพื่อหัดตัวให้ตายเราตายไปวันหนึ่งวันหนึ่งหัดตายซะมันได้สักหนท้องหมนก็นยังดีอยู่ที่จะให้ ลู้ดังที่ว่านั้นต้องตั้งสติกำนดจิตกุณีเสียก่อนถ้ายังไม่เห็นจิตมันก็ไม่ละไม่ทิ้งไม่ถอนเมื่อละกำนดจิตกุณีแหละตั้งสติกำนดตรงกุ น, นีแหล ะ, ละเห็นหนาการของจิตดิ้นโลนก็นดีเสือกสนไปมาหน้าหลังอะไรต่างปุงแต่งด้วยประการต่างๆ เห็ น, น ก, การของจิตเห็นอา ก, การอย่างนี้แหละเรียกว่าเราเห็นโทษทุกข์ของมันเห็นโทษทุกข์ของจิตแล้วก็เบื่อหน่ายในการเบื่อหน่ายก็ไม่ทราบจะไปทิ้งไหนมันก็เมื่อร่างกายนี่แหละเมื่อหน่ายเห็นโทษทุกข์อันนี้ก็ไม่ทราบจะไปทิ้งไหนประจําเป็นต้องรักษา าอายุงพยายามรักษาไปพอได้อาศัยวันหนึ่งวันหนึ่งยังไงค่าจ้างกันไปค่าจ้างวันวันหนึ่งวันหนึ่งมันหมดมามากน้อยเท่าไหร่นับไม่ถ้วนแม้ว่าคนมีคนจนจําเป็นต้องหาอาจางมันทั้งหมดมหาการกินอุดมทุกสิ่งทุกอย่างเป็น เรียก่าปัจัยชาติทั้งสี่นเถอะมันเรื่องเ ค, เครื่องจ้างเขามาันนี่นมันอยู่ได้ั้นมันอยู่ได้แล้วก็มาพิจนารณา่นั่นสินั่นสิ่งที่ค่าจ้างอั่นที่หมดเปลืองประเดนเมื่อเข้าปัจจัยอย่างนี้แล้วก็จังจิ้มั้เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ส่งผู้ใส่ไปตามอาการเท่าไหร่แล้วนะั่น อันนี้ยังเหลือแต่ปูจจิตทิ้งของหมดนะเไม่ใช่ของเราทั้งหมดเพียงแต่ค่าจ้างชั่วครัง้งชั่วคราวบ้านเรือนมันไ่ได้ใช่ของเราจ้างเขาอยู่นันจิตใจน ก, นก็เสมอันเัียงแต่อาศัยใช้มันไปชั่วครัง้งชั่วคราวเพราะมีอายตนาพัสสัง เมื่อจะนับัฏฐาดับแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องจา้างผู้อยู่ก็เลยมดเรื่องจะว่าดับก็ไม่ใช่จะว่าตายก็ไม่ใช่จะว่าไม่ดับก็ไม่ใช่เพราะไม่มีเครื่องวัดไม่มีเครื่องรู้ไม่มีเครื่องอยู่ เ, เราอยู่ทุกวันนี้เพราะมีเคร่งอยู่ยังพออยู่ได้ให้เห็นตัวจิตนั่นแหละคาว่าได้เห็นตัวจิตนั่นแหละถ้าเมื่อคาว่าให้เห็นตัวจิตวางจิต้แล้วมันก็อยู่เฉยมันพูดเฉยนะมันยังมีอยู่พู้เฉยนะมีอยู่ไม่คิดไม่นึกแต่มีความรู้สึกอยู่ต่างหากของมัน ที่ว่าเข้าถึงเสมอเสมอให้มันตายอยทุกวันพิจารณาความตายของตนให้มันเข้าถึงความตายนั่นแหละความรู้อะไรต่งตางๆที่มันรู้ออกไปมันรู้ไปตามจิตนั่นแหละจิตที่มันคิดเนตที่มันประสาทนั่นแหละมากมายลงหลายออกไปนั่นก็เพราะความรู้นั่นแหละที่มันส่งออกไปแต่ว่าส่งออกไปด้วยความรู้เท่า ด้วยความรู้จริงของมันคูดได้ตอนน่อเองพูดขอละเอียดไดหน่อยถึงไงไงก็ให้่ากอ์พิจารณาตามไปก่อนบาทีอาจจะพอรู้ได้แล้วละทำความเขียนนั่งมาทีพอวนาไป